ขอความเจริญในธรรมจงมีกัญาติโยมทั้งหลายนี้มาขออนุมโมทนาในกุศลจิตที่โยมยศเจ้าของตลาดมีเจตนาที่ดีเนี่ยที่ที่เห็นว่าอยากจะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยที่วันๆนะหมกมุ่นหรือว่ามีความคิดเกี่ยวกับเรื่อง ซับเรื่องบ้านเรื่องการทํางานหรือเรื่องบุตรเรื่องภรรยาทั้งหลายเนี่ยโยมโยมยศก็มีความมีเจตนาที่ดีมีความปรารถนาอยากให้เท่าทั้งหลายเนี่ยได้พบได้เห็นสมณะเมื่อสมณะมาแล้วเนี่ยสมณะก็มีหน้าที่ของการธรรมเสวนะก็คือการสนทนาธรรมเอาแล้วเราจะส น, สนทนนาธรรมกันเรื่องอะไรอาจมาก็ให้ข้อข้อความคิดเห็นว่า การจะพูดกล่าวธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเออจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจควรจะเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับตัวโยมก็เลยทําลักษณะการแสดงธรรมเป็นลักษณะของปุจฉาวิสัชนาขึ้นมาใช่เป็นการถามตอบธรรมะอันนี้แหละที่ว่าเมื่อโยมมีทุกข์พระก็คอยแก้ทุกข์ให้เมื่อโยมยศมีความปรารถนาอยากจะให้เอาธรรมะของทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสู่กระแสชีวิตของพวกเรา เพื่ออะไรเพื่อเมื่อธรรมะนั้นนะเข้ามาสู่กระแสชีวิตของพวกเราแล้วธรรมะก็คอยฉโลมจิตใจเหมือนบุคคลที่เห็นบุคคลที่ตัวเปื้อนฝุ่นมาใช่ไหมตัวเปื้อนฝุ่นจากบาปอคุสนละธรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายเหนื่อยตากแดดผ่านทะเลทรายมาครั้นมาเห็นแม่น้ำอันใสสะอาดเย็นชื่นใจก็ลงไปอาบน้ำไปทำความสะอาดพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ฉันใดก็ฉันนั้นสามารถ ทำความสะอาดให้เกิดขึ้นในกระแสะจิตของคนได้สามารถทำให้คนเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดได้เป็นต้นได้ก็ขออนุโมทนากับกุศลละจิตของท่านทั้งหลายของออโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งของโยมยศเจ้าของตลาดที่มีมีความปรารถนาดีเจตนาดีนะ เ, เดี๋ยวเราจะเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าขอ เดี๋ยวผมขอพูดจุดประสงค์ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราในช่วงนี้นะครับไม่ค่อยได้มีความใกล้ชิดกับาศาสนาเท่าไหร่นะครับวัดก็ไม่ค่อยมีเวลาดังนั้นผมไม่รู้นะครับว่าทุกคนจะเห็นควรหรือไม่ยังไงนะครับแต่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้ใกล้ชิดพระหรือวัดให้มากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นนะครับ นี่คือจุดประสงค์แค่นี้แหละอยากให้เราใกล้ชิดกับวัดกับพระมากขึ้นเดี๋ยวเราขอเริ่มต้นคำถามข้อแรกเลยนะครับไม่ขอเอ่ยชื่อว่าแม่ค้าท่านใดเป็นคนถามนะจะตอบได้ครบคำถามทั้ง5ข้อหรือไม่อันนี้แล้วแต่ตัวท่านพระในนะครับเป็นคนตอบว่าจะครบหรือไม่คำถามนะครับคำถามที่หนึ่งแม่ค้าถามมาว่าเราจะทําบุญอย่างไรเพื่อให้เกิดการค้าขายที่สภาพที่คล่องขึ้น ไม่ใช่ฝืดวบบขายของไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีขายของก็ขายได้น้อยลําบากอะไรประมาณนี้นะครับคือไม่ได้กะชีวิตหวังลลํารวยแต่ขอให้มีการค้าขายที่สภาพคล่องกว่าเดิมมาฟังพระในนะครับวิสัญาคาถามนี้นะครับโดยคำถามก็คือที่บอกว่าจะทำจะทาบุญอย่างไรให้เกิดการค้าขายที่คล่องขึ้นก่อนที่จะตอบคาถามอาจจะมาจะอยากจะบอกวิธีการฟังทำก่อน วิธ eh. uh ีการฟังธรรมประเด็นหนึ่งเวลาที่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยแสดงธรรมอยู่ขอให้โยมเนี่ยยึดมั่นก็คือพระภิกษุสงฆ์เนี่ยคือมีอะไรเป็นที่พึ่งมีธรรมะและวินัยเป็นที่พึ่งที่พระบรมศาสดาตรัสก่อนที่จะปรินิพานว่าธรรมะและวินัยจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราก็หมายความว่าพระสงฆ์เนี่ยที่มานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีหลัก มีที่พึ่งมีพระาศาสดาเป็นที่พึ่งมีธรรมวินัยเป็นาศาสดาไม่ได้อยู่แบบเลื่อนลอยการตอบคําถามในเชิงธรรมะก็จะใช้คําสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นตัวเป็นประเด็นหลักและจะไม่ใช้และอาตมาเองจะใช้ความเห็นของตัวเองให้น้อยที่สุดเพื่ออะไรเพื่อธรรมะระหว่างความจริงกับความเห็นถ้าเกิดว่าความเห็นเนี่ย มันขัดแย้งกับความจริงขึ้นมาเมื่อความจริงปาปรากฏอยู่ตรงหน้าเมื่อไหร่ความเห็นก็แพ้ดังนั้นเนี่ยขอให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยขอให้จงจงมณฑสิการเวลาฟังพระสงฆ์ฟังธรรมถ้าเกิดหากว่าอาตมาพูดสิ่งใดที่ผิดไปความผิดนั้นขอให้ตกอยู่ที่อาตมาแต่เพียงผู้เดียวแต่หากว่าความสิ่งใดที่อาตมาพูดไปแล้วทำให้โยมเกิดปัญญาเข้าใจเข้าใจธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้า ขอให้โยมทั้งหลายมนานัสสิการว่าธรรมะอาตมาเนี่ยเพียงแค่จํามาดีเท่านั้นส่วนธรรมะของพระพุทธองค์เป็นธรรมะที่ดีอยู่แล้วประเสริฐอยู่แล้วนะก็ขอให้ยกความดีไว้ในไว้ในองค์ของอริยะสงเหล่านั้นองค์ของพระพุทธเจ้าเป็นต้นอาทีนี้กลับมาเข้าสู่คําถามที่ว่าทําอย่างไรที่ทําให้การค้าขายเนี่ยคล่องตัวขึ้น ในเรื่องนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้หลายเรื่องมากหล า, หลายที่มากถามว่าอิธิบาสีอิธิบาสีก็คือเป็นถ้าใครต้อปรารถนาปรารถนาจะประสบความสาเร็จให้เจริญอิธิบาสีเป็นต้นแต่วันนี้เนี่ยอาตมาเห็นสถานที่ใช่เห็นการค้าขายอาตมาจะขอนำเสนอเรื่องจักสีไม่ราบยมเคยได้ิน เรื่องจักรสี่ไหมไม่เคยใช่จักรสี่นี่คืออะไรอุปมาเหมือนกับรถล้อรถเนี่ยรถยนต์เนี่ยมันจะมีสี่ล้อใช่การจะไปถึงจุดหมายได้ล้อรถก็ต้องครบสี่ล้อฉันใดก็ฉันนั้นจักรสี่เหมือนกับอุปมาเหมือนธรรมะเหมือนดุดล้อการจะไปถึงจุดหมายได้ก็ต้องอาศัยธรรมอาศัยธรรมะทั้งสี่พระบรมศาสดา ต, ดตัดว่าอะไร จักสี่เนี่ยก็คือเมื่อเธอทั้งหลายเจริญแล้วทําให้มากแล้วเนี่ยเธอถ้าจักสีเนี้ยครบบริบูรณ์เมื่อไหร่เป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ประกอบพร้อมแล้วได้จักที่หมุนไปไปสู่ความเจริญสี่ประการนะหมายความว่าเมื่อจักทั้งสี่พร้อมแล้วจะถึงความใหญ่และความไพ่บุญในโคพคซั์ทั้งหลายไม่นานเลยอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสเองแล้ว เวลาที่พระองค์ตัดเนี่ยพระองค์ตัดเป็นหนึ่งไม่มีสองอข้อแรกคืออะไระประการที่หนึ่งขอให้โยมสํารวจตัวเองนะว่าโยมมีธรรมะคุณธรรมในสข้อนี้หรือเปล่าประการแรกก็คือปฏิรูประเทศวาสะหมายถึงว่าความอยู่ในที่ที่เหมาะหมายถึงว่าทําเลทําเลที่โยมอยู่นั้นเป็นทำเลที่เหมาะไหมถ้าโยมเนี่ยมี ตลาดนี้มีความประชาสัมพันธ์นที่ดีไหมมีมีความสามารถในการประชาสัมพันธ์สามารถดึงดูดคนทั้งหลายให้เข้ามาเข้ามาในตลาดนี้ได้หรือไม่ทำเลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจอย่างดีใช่ไหมอ่ะอาถามว่า ร, ราคาของที่ดินแต่ละที่แต่ละที่ทําไมถึงต่างกันก็เพราะทำเลที่ต่างกันการเข้าถึงผู้คนที่ต่างกันอันนี้ก็ไม่ยากอะไรประการที่สอง ประการที่สองสัพ บ, ร, บริสุป ส, สยะคาว่าสัพบริสุป ส, สยะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าความพึ่งพิงสัตบุรุษคำว่าสัตบุรุษนี้หมายถึงคนที่มีปัญญาเรามีที่ปรึกษาไหมอายกตัวอย่างเช่นเวลาพระมหากษัตริย์พระราชาจะปกครองพระราชาต้องใช้ที่ปรึกษาเวลา เวลาเราทําผิดกฎหมายใช่ไหมเรามีข้อพิพาทกันในเรื่องกฎหมายเราต้องใช้ที่ปรึกษาทางกฎหมายเราต้องการจะทําธุรกิจเราก็ต้องมีที่ปรึกษาทางด้านการเงินเราจะทําอะไรทั้งหลายอย่างต้องอาศัยที่ปรึกษาเพราะอะไรอุปมาเหมือนนักมวยนักมวยที่มันตะตลุมบอลกันอยู่เนี่ยต่อยกันต่อยซ้ายต่อยขวากับศัตรูเนี่ย ในระหว่างนั้นเขาไม่สามารถเห็นจุดด้อยจุดข้ อ, ขอดีข้อเด่นของฝ่ายศัตรูได้เขาก็บลุมปตุ้มเราทั้งหลายที่หมวกมุ่นอยู่กับการทํางานในแต่ละวันในแต่ละวันที่ตื่นขึ้นมาก็วิตกกังวลในเรื่องว่าจะหาทรัพย์ยังไงจะขายของยังไงวันนี้จะมีลูกค้าเข้าไหมในการคิดวนไปวนมาลักษณะนี้เราไม่สามารถจะเห็นจุดด้อยจุดบกพร่องของตัวเองใช่ไหมการมีที่ปรึกษาที่ปรึกษาเหมือนอะไร เหมือนกับพี่เลี้ยงนักมวยที่เมื่อพี่เลี้ยงนักมวยที่ชานฉลาดด้วยนะเมื่อพี่เลี้ยงนักมวยมองไปสามารถรู้จุดจุดข้อด้อยข้อดีข้อเด่นแล้วก็ทางออกด้วยของศัตรูแม้ของเราว่าเราควรจะพลิกแพงเนี่ยหมัดมวยยังไงใช่ไหมนี่อันนี้เป็นประการที่สองนะเขาเรียกว่าความมีที่ความพึ่งสัตว์บุรุษก็คือความมีที่ปรึกษา ถามว่าบริษัทซ p พีก็ดีเนี่ยท่านเจ้าสัวเนี่ยขานถามว่าที่ปรึกษาของเขาเนี่ยราคาค่าตัวเท่าไหร่เนี่ยใช่ไหมเนี่ยสังเกตว่าจะสังเกตว่าโหเนี่ยจำเป็นไหมที่ปรึกษาการประการต่อมาอัตตะสัมมาปณิธิก็คือความตั้งตนไว้ชอบโยมมีความโยมทั้งหลาย ที่ทำการค้าในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยตรวจสอบตัวเองว่าความตั้งตนไว้ชอบของเราบริบูรณ์ไหมเราเป็นคนหนักแน่นในคุณธรรมทั้งหลายไหมเราเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมหมายความว่าซึ่งหมายความว่าเออการเดี๋ยวธามาจะแนะนาเจาะลงไปในรายละเอียดก็คือในที่เราขายของกันอยู่ที่เนี้มีทั้งเพื่อนร่วมงานมีทั้งคู่แข่งใช่ไม มีทั้งลูกค้าการที่เราทั้งสมมติว่าลองดูสิลองดูว่าเราลองมีมุทิตาเวลาคู่แข่งเราเนี้ยขายของได้หรือเพื่อนร่วมงานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็ดีอยู่ใกล้ๆ ก, ก, กันก็ดีโอ้เวลาเขาขายของได้แล้วเราขายของไปได้ทำความปิติทำความดีใจให้เกิดขึ้นยินดีในทรัพย์ที่เขาขายได้เอาลองทากันทั้งตลาดดูนะ ทำความดีใจปราปื้อืนปิติก็คือมุทิตาเนี่ยเวลา ข, ขายของขายขายของได้ก็ยินดียินดียังเงี้ยสมมุติว่าทําทั้งตลาดตลาดนี้จะเป็นยังไงโอ้โหเป็นที่น่ารื่นรมมากใครๆก็อยากเข้าว่าโอโ้ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าอุ่นใจแม่ค้าที่เนี่ยมีความใจดีเนอะรู้สึกว่าอุ่นใจอยากจะซื้อแล้วแม่ค้านะก็ทําหน้าตาเนี่ยทำหน้าตาให้ยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้ไม่โกรธเลยเวลาพูดจาก็พูดจากันดี เวลาเวลาจะส่งของให้ก็ยื่นให้ด้วยยื่นให้ด้วยความเต็มใจเวลาต่อราคาเวลาโยงมมาต่อราคาก็ไม่โกรธ <c oughs> เป็นอย่างนั้นจริงไหมโยง <c oughs> อ, อันนี้คือประการที่สองคือให้เราเชื่อมั่นในความเชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในกุศลทั้งหลายนี่คือตั้งตนไว้ชอบเมื่อเราตั้งตนไว้ชอบใ ค, ใครจะมาทหมาทหนีเราได้เป็นต้นนะนี่ประการที่สาม ประการที่สหมายอีกข้อหนึ่งก็คื อ, อประการที่สี่ก็คือปุเพกะตะปุญนตาหมายความว่าความเป็นผู้มีความดีอันได้ทําไว้การก่อนการเป็นผู้ทําความดีไว้การก่อนหมายถึงว่าวันนี้ถ้าเราจเจริญกุศลพรุ่งนี้กุศลจะเป็นต้นทุนของเราในอนาคตกุศลในวันนี้ที่เกิดขึ้น จะเป็นต้นทุนให้เราในอนาคตเมื่อวานนี้ถ้าเราจเจริญกุศลกุศลก็จะเป็นต้นทุนให้เราในวันนี้หรือในอนาคตต่อไปหมายความว่าคำ ว, ว่าปุเพกะตะปุญญาตาเนี่ยความเป็นผู้มีความดีอันทำไวในการก่อนเนี่ยเราจะสังเกตว่าคนบางคนเกิดมาในกองเงินกองทองคนบางคนเกิดมามีทรัพย์มีทรัพย์พที่ดีมีภรรยาที่ดีมีบุตร ไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องเหนื่อยลแต่ทำไมเราหนอถึงโอ้โหต้องทำงานบากบัน่นแม้ทางานเหนื่อยขนาดนี้การงานก็ไม่ผลไม่เป็นผลสำเร็จหรือเราก็ไม่รวยขึ้นมาสักทีเพราะอะไรเพราะว่าอ๋อเพราะบุญที่เราทำนั้นยังไม่มีกำลังพอแต่ถ้าหากว่าเราเราเริ่มบอกว่าเราจะเริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเอาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะทำความดีที่มีให้เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วจะให้ภัยบณ์ยิ่งขึ้นไปถ้าตั้งใจอย่างนี้เนี่ยต่อไปไม่นานเลยไม่นานเลยเราก็จะมีภัยบณ์ถ้าจักสีเนี่ยบริบูรณ์ด้วยจักสีเราจะเห็นว่าอะเดี๋ยวเราอาตมาจะทวนให้นะทั้งสี่ข้อมีอะไรบ้างประการที่ประการที่หนึ่งก็คือความอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมทำเลนี่ความพึ่งพิงสัตว์บุรุษประการที่สองการตั้งตนไว้ชอบประการที่สและ ความเป็นผู้มีความดีอันทำไว้การก่อนประการที่สเราก็สำรวจตัวเองว่าเออเราเนี่ยถึงพร้อมถึงจากสี่หรือยังถ้าถ้ายังไม่พร้อมเราก็พัฒนาตัวเองทำยังไงจะให้ถึงพร้อมให้ได้และพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าเมื่อจากสี่เนี่ยบริบูรณ์และพร้อมแล้วความเป็นใหญ่หรือความไพ่บูรณ์ในโภคาซั์เนี่ยทั้งหลายเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่นานเลยเนี่ยเป็นต้นขอให้เรามีศรัทธา ศรัทธาในอะไรในศรัทธาในคําสอนศรัทธาในตัวปัญญาพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งกว่านักเศรษฐศาสตร์เป็นเลิอในนักแม้แต่ธรณีวิทยาเนี่ยพระองค์ก็เป็นเลิอที่สุดเพราะพระองค์มีอะไรมีสัพพัญยุตยานที่ไม่มีอะไรเป็นพระญานที่ไม่มีอะไรจะมาขัดขวางได้ใช่ไหมขอให้เรามีความเชื่อมั่นมั่นใจในตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้ เ, เป็นต้นและพอมาพอมาอีกประเด็นหนึ่งเมื่อกี้จักสี่จบไปแล้วอาตมาก็มีความเข้าใจมีความเห็นใจนะที่พวกเราที่ต้องต้องหมกมุ่นอยู่กับการทำงานในแต่ละวันในแต่ละวันคิดว่าตัวเองจะหาเงินมาได้ยังไงพะวงในเรื่องว่าทรัพย์ที่มีทำยังไงทำยังไงหนอไม่ให้มันหมดไปและจะหาทรัพย์ให้เพิ่มขึ้นมาพอกพูนได้ยังไง บางคนนะัตเดือนชนเดือนเลย โ, โหเข้าใจมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยธรรมาก็อยากจะให้ความกระจ่างชัดว่าเออในตอนที่เราเรามองดูสภาพที่แม้ว่ามันจะเกิดโลกรธรรมเนี่ยก็คือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญทั้งหลายเนี่ยโลกรธรรมที่เราต้องเจ อ, อทุกวันทุกวันเนี่ยเราวางใจยังไงกับโลกรธรรม ให้เรานะใช้ปัญญาเข้าไปตรวจสอบว่าแม้วันนี้เนี่ยสภาพสังคมที่เราอยู่เนี่ยเป็นยังไงเศรษฐกิจที่เราอยู่เป็นยังไงสังคมสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่รอบตัวที่เราอยู่เป็นยังไงใช่ไหมมันก็เป็นเหตุเป็นปันจจัยเชื่อมพันกันหมดเลยนะมันมันสามารถมันเกี่ยวโยงกันหมดไม่ว่าเราเนี่ยอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราทะเลาะ ก, กับครอบครัวมีปัญหากับครอบครัวมาแล้ว เอามาลงกับที่ทำงานเครียดหาทางออกไม่ได้ทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นก็คิดวนไปอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆจิตที่คิดอย่างนั้นนะเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วครั้งหนึ่งแต่เรามาคิดวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกเนี่ยกลายเป็นว่าอะไรมันทำร้ายเราความคิดไงความคิดที่เราปั่นเวียงอยู่ในใจอ่ะแล้วแล้วเล่าแล้วแล้วๆแล้วเราไม่สามารถออกจากมันได้ ให้ยอมมีสตินะว่าเออถ้าเราเอาความให้พิจารณาอย่างนี้ว่าถ้าเร า, เาความกโกรธหรือความคุณเคืองไม่พอใจมาใช้มาขายของลูกค้าหรือบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงเห็นสีหน้าเห็นแววตาทั้งหลายเขาอยากจะซื้อไหมร้านนี้อยากจะเข้าหรือเปล่าเนี่ยเป็นต้นในส่วนในคำถามในข้อแรกเนี่ยชัดเจนไหมอ่ะเดี๋ยวมีอีก ประเด็นหนึ่งใครเป็นบ้างใครใครเป็นบ้างในลักษณะที่บอกว่าเป็นคนที่หวนละห้อยถึงอดีตหวนละห้อยถึงอดีตพร่้มเพลอถึงอานาคตแล้วก็งอนแงนคอนแคนในปัจจุบันในใครเป็นบ้างพลั้มเพล้ยหวนละห้อยถึงอดีตพร่้มเพลอถึงอนาคตแล้วก็งอนแงา น, านคอนแคนในปัจจุบันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพอคิดไปในอดีตก็ตกร่องอดีต พอคิดไปในอนาคตก็ตกร่องอนาคตแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงกับปัจจุบันแยกไม่ออกเอาแล้วจะยังไงดีเนี่ยโอโ้โหคิดไม่ออกปรากฏว่าก็เสียทั้ง3การเลยอดีตก็เสียอนาคตก็เสียปัจจุบันก็เสียเวลาคิดไปในไปในอดีตปุ๊บความโกรธความเครียดความทรงจําอารมณ์ที่ไม่ดีก็ผ่านเข้ามาเราก็ไหลลงไปในอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่ดีที่เพลิดเพลินได้ยินดีเนี่ยไหลเข้ามาในอดีตโอ้เราก็บอกแล้วก็หวนละห้อยมัน อเมื่อไหร่จะกลับไปเป็นอย่างนั้นอีกหรือพ้ำเพอถึงอนาคตบอกว่าเออเมื่อไหร่เราจะเมื่อไหร่ชันเนี่ยจะรวยสักทีนาะเมื่อไหร่การงานของฉันจะดีเมื่อไหร่ันจะมีรถเมื่อไหร่ชันจะมีบ้านเมื่อไหร่หนี้ทั้งหลายมันจะหมดไปสักทีเนี่ยใครเป็นอย่างนี้บ้างแล้วไปกดว่าอดีตก็เสียอนาคตก็เสียแล้วก็พานเอาในปัจจุบันนี่ก็เสียหายไปด้วย เป็นไหมเป็นกันเยอะไหมโยมเขาเรียกว่าตกร่องความคิดเป็นกันไหมอะแล้วทำยังไงล่ะเราทางออกคนอะหลายคนแม้ว่าอัตมาจะไม่ได้สนทนากันนะก็เข้าใจอยู่ว่าเราเป็นกันหลายคนที่ผ่านมาเนี่ยแม่ตมาก็เป็นเพราะความไม่เข้าใจถ้าทำคำสอนไงทีนี้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้เรา ตกร่องอดีตตกร่องอนาคตแล้วก็ปัจจุบันก็ทำอะไรไม่ได้อะไรเป็นเหตุเป็นอะไรเป็นอาใจตัวเหตุจริงๆนะก็คือตัวตันหามานะทิฐีใช่ั้ยการคิดด้วยลักษณะที่ตันหามานะทิฐีเนี่ยเวลาเราคิดไปด้วยความอยากคิดไปด้วยมานะมานะคืออะไรมานะก็คือไม่ใช่ความเพียรความพยายามนะอย่าเข้าใจผิดมานะในศัพธรรมะธรรมะก็คือการยกตนชูตนเปรียบเทียบตนใช่ถ้าเกิดว่า เราไปเห็นว่าโอ้เขาเขารวยกว่าเราแบบนี้เรามีมานะเขาเรียกว่ามานะถดถอยอะแล้วถ้าบอกว่าเรารวยกว่าเขาแบบนี้เราก็มีมานะเหมือนกันเขาเรียกว่ามานะเฟื่องฟูอันนี้เข้าใจใตัวมานะนะการคิดอดีตปัจจุบันอนาคตด้วยตัณหามานะแล้วก็ทิฏฐิที่เป็นความเห็นเนี่ยก็คืออยากได้อยากใหญ่ใจแคบเห็นไหมการคิดในลักษณะนั้นเนี่ยจะเป็นการคิดทําให้เรามันเผาร้นในใจเรา โอ้โหเราเราก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ความสุขสักทีความสุขมันอยู่ในอนาคตบ้างอยู่ในอดีตบ้างแล้วปัจจุบันมั น, ม น, มนความสุขของเราไม่ได้เลยในปัจจุบันแ ง, ง่วิธีการทํำยังไงวิธีการวิธีการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ก็คือสติสัมปชัญญะเวลาคิดถึงอดีตใช่ไหมเราจะเคยได้ยินไหมให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันในเชิงสํานวนแล้วเนี่ยมันทําได้ไหม ในเชิงสานวนแล้วเนี่ยมันทําได้แต่ว่าในเชิงปฏิบัติแล้วทําไม่ได้เพราะอะไรเราต้องคิดถึงอดีตไหมเราต้องคิดถึงอนาคตรหรือเปล่าใช่ไหมอดีตเราก็ต้องคิดอนาคตก็ต้องคิดแต่ว่าคิดอย่างไรเราไม่ให้ตกร่องอดีตคิดอย่างไรไม่ให้ตกร่องอนาคตวิธีการก็คือใช้สติสมัมปชัญญะดึงอดีตมาไว้ในปัจจุบันใช้ดึงใช้สติตรึงตรึงดึงจับเอาไว้ เมื่อสติเนี่ยตรึงดึงจับเอาไว้แล้วก็ใช้ปัญญาเข้าไปตรวจสอบวิจัยแยกแยะว่าอดีตที่ผ่านมามีข้อดีอย่างไรมีข้อเสียอย่างไรแล้วควรกรปฏิบัติกระทางออกอย่างไรเนี่ยก็เอาประโยชน์จากอดีตใช่ไหมเมื่อพอไปคิดถึงอนาคตพอคิดถึงอนาคตก็ใช้สติไปจับเอาอารมณ์ในอนาคตออกมามาตั้งไว้ในปัจจุบันเมื่อสติก็กคือ ตรึงดึงจับอารมณ์ที่อยู่ในอนาคตแล้วมาวิจัยตรวจสอบว่าเหตุปัจจัยอะไรหนอที่จะทำให้เราสมหวังได้เหตุปัจจัยอะไรหนอที่ทำให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายต้องาอาศัยเหตุและก็ปัจจัยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆใช่เมื่อวิจัยอย่างนี้แล้ววิธีการก็หาวิธีการเลยคิดวิเคราะห์คิดวิเคราะห์ใช่ไมแบบนี้เรียกว่าไม่ตกร่องอดีตไม่ตกร่องอนาคตแล้วปัจจุบัน ก็เอามาทำในปัจจุบันให้ดีที่สุดเลยอันนี้เป็นต้นน่ารู้วิธีทางออกหรือยังเขาจะได้เราจะได้ไม่เป็นคนหวนล้ห้อยถึงอดีตพร่ำเพลอถึงอนาคตและก็งอนแง่นคอนแคนในปัจจุบันนี่เข้าใจแล้วนะอ่าวสาธุสาธุมูธนาอ่าเดี๋ยวคำถามข้อต่อไปเลย